สัจธรรมไม่เสื่อมสูญศา ส, สนาพุทธหลังจาก 2,500 ปีจะเจริญอยู่100ปีหลังจากนั้นจะเสื่อมลงเสื่อมลงซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ส่องเงาแห่งความเสื่อมแล้วจุดยืนของชาวพุทธไม่มีใครหยิบยื่นอะไรมาให้เอาหมดบาลังใจของชาวพุทธซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวกำลังคลอนแคลน เพราะชาวพุทธปัญใจให้กับพุทธผีปีศาจและผู้วิเศษอื่นๆทำให้จิตใจของชาวพุทธไม่มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าซึ่งเคยเป็นที่พึ่งมาก่อนดังนั้นชาวพุทธควรจะได้กลับใจมายึดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มั่นคงตามเดิมก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปธรรมะอยู่ที่คนจะมีกี่คนที่ยึดธรรมะอย่างแท้จริงทีนี้มันก็เสื่อมไปกับคนแต่ธรรมะที่เป็นสัจธรรมเนี่ย ก็ไม่เสื่อมสูญไปไหน